เบ็ดเล็ดตายดังที่กล่าวมาแล้วว่าอัตภาพของมนุษย์เราผู้หนึ่งผู้หนึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบใหญ่ๆสองส่วนด้วยกันคือร่างกายหนึ่งจิตหนึ่งร่างกายเปรียบเหมือนเรือนจิตเปรียบเหมือนคนอาศัยอยู่ในเรือนตามธรรมดาของธาตุมันต้องแยกกันอยู่การรวมกันเป็นการฝืนธรรมดาของมัน จะมีได้ก็เพียงครั้งคราวเท่านั้นอย่างพวกเราที่มานั่งรวมกันอยู่ที่นี้ก็เป็นการฝืนธรรมดาสักประเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับเป็นไปตามธรรมดาคือต้องแยกย้ายกันไปจะนั่งประชุมกันอยู่อย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติไม่ได้ตึกเรือนโรงก็สำเร็จขึ้นด้วยของผสมคือเอาไม้เหล็กอิฐหินปูนทรายมารวมกันเข้า การรวมกันของสิ่งเหล่านี้เป็นการฝืนธรรมดาของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปไปมันก็จะต้องวกเข้าสู่ธรรมดาของมันอีกคือแยกกันไปรถคันหนึ่งก็ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนต่างๆหลายชิ้นนี่ก็ฝืนธรรมดาของมันอีกนานๆเข้ามันก็รวมกันอยู่ไม่ได้ต้องเข้าสู่ธรรมดาคือแยกกันออกเราจึงพอจะตั้งสูตรได้ว่า สิ่งใดสำเร็จขึ้นด้วยธาตุหลายอย่างรวมกันสิ่งนั้นจะคงสภาพอยู่ตลอดไปไม่ได้คือผลที่สุดธาตุทั้งปวงนั้นย่อมจะแยกกันออกอย่างแน่นอนร่างกายของคนเรานี้ก็สำเร็จขึ้นด้วยธาตุหลายอย่างรวมกันคือธาตุดินธ า, าตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมประชุมกันเข้าเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องตกอยู่ในกฎธรรมดาของธาตุที่รวมกันคืออยู่ไปอยู่ไป ธาตุซึ่งเป็นส่วนผสมก็แยกกันออกดินเข้าหาดินน้ำเข้าหาน้ำไฟเข้าหาไฟลมเข้าหาลมพฤติการดังนี้ภาษาชาวบ้านเรียกว่าตายที่ว่าคนตายนั้นร่างกายตายไม่ใช่จิตใจตายข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าธรรมดาของธาตุมันต้องแยกกันอยู่ส่วนการรวมกันนั้นเป็นการฝืนธรรมดาเพราะฉะนั้น เราจึงอาจพูดได้ว่าธรรมดาของร่างกายแท้ๆคือตายถึงในบาลีที่มาหลายแห่งก็เรียกคนและสัตว์ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามัจโจปแปลว่าผู้มีอันจะพึงตายเป็นธรรมดาส่วนการมีอยู่อย่างพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นการฝืนธรรมดาลงได้ฝืนธรรมดาแล้วก็คงไปได้ไม่กี่น้ำประเดี๋ยวก็เข้าหาธรรมดาอย่างว่า ความจริงร่างกายของเรนี้มันอยากตายวันละหลายร้อยครั้งแต่ที่มันยังไม่ตายนี้ก็เพราะเราฝืนเอาไว้เหนี่ยวรั้งเอาไว้พอมันว่าจะตายเราหายใจไว้พอมันหิวจะตายเรากินข้าวไว้พอมันกระหายจะตายเราดื่มน้ำไว้พอมันเหนื่อยจะตายเราเปลี่ยนอริยาบทไว้พอมันป่วยจะตายเรารักษาไว้ ถ้าเราไม่เหนียวรั้งเอาไว้อย่างนี้มันเสร็จไปนานแล้วผมไม่ต้องมายืนปาถกาถาอยู่อย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายก็ไม่ต้องมาฟังการมีชีวิตอยู่จึงเป็นการฝืนธรรมดาเหมือนพายเรือทวนน้ำต้องลำบากนี่แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจช่างมัจจานะชีวิตังความเป็นอยู่ของสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพ เป็นของยากส่วนการตายเป็นการปล่อยไปตามธรรมดาเหมือนปล่อยเรือให้ลอยไปตามน้ำง่ายที่ว่านี้ไม่ใช่ผมชวนท่านผู้ฟังให้ตายนะฝืนได้นานๆก็ดีจะได้มีเวลาทำความดีให้มากๆพูดมาถึงตรงนี้รู้สึกนึกสงสารบุคคลบางจำพวกที่ใช้ชีวิตของตนทิ้งๆคว่างๆเอาสาระไม่ได้ แถมบางคนยังใช้ชีวิตในทางชั่วทางเสียต่างๆไม่สมกับชีวิตเป็นของหายากเหมือนกับคนพายเรือทวนน้ำด้วยความเหน็ดเหนื่อยแทนที่จะเก็บเอาของมีค่าตามริมฝั่งให้คุ้มเหนื่อยกลับไม่หาเอาผลประโยชน์อย่างใดแล้วยังแถมเก็บเอาซากศพหรือของเน่าของเสียขึ้นใส่เรือของตนอีกด้วยเรือนกับคนที่อยู่ในเรือนเรารู้กันอยู่แล้วว่า เป็นคนละอันเรือนเป็นอันหนึ่งต่างหากคนก็เป็นอันหนึ่งต่างหากการที่เรือนชำรุดผุพังลงไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่อาศัยจะผุพังลงไปตามด้วยเมื่อเรือพังลงเจ้าของเรือก็รวบรวมเอาทรัพย์อันมีค่าออกจากเรือนนั้นไปเรื่องของร่างกายกับจิตก็เข้าทรนองนี้ร่างกายเปรียบเหมือนเรือนจิตเปรียบเหมือนคนที่อยู่ในเรือน เมื่อร่างกายชำรุดจนใช้การไม่ได้แล้วจิตก็หมดเยื่อใยในร่างกายออกจากร่างกายไปพร้อมด้วยกรรมที่ตนสังสมไว้คติตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากและมีผู้แสดงความเห็นวิพากษ์วิจาร์ไปหลายแง่หลายมุมสำหรับทางพระพุทธศาสนามีหลักฐานที่มาหลายแห่งแสดงมติแน่วแน่ลงเป็นอันเดียวว่าจิตดวงใดยังมีกิเลส จิตดวงนั้นต้องเกิดอีกจิตดวงใดสิ้นกิเลสแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์สิ้นเชิงจิตดวงนั้นไม่เกิดอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีเรื่องไม่มีอาการเลยไม่มีเรื่องที่ข้าพเจ้าจะพูดด้วยขอได้โปรดเข้าใจว่าที่เราพูดกันอยู่นี้พูดเรื่องของจิตที่ยังมีกิเลสเท่านั้นและที่ว่าเกิดนั้นหมายความว่าร่างกายอันเดิมนี้ตายแล้ว จิตออกจากร่างนี้ไปปรากฏหรืออยู่ในภพใหม่ต่อไปจุดหมายปลายทางที่จิตจะไปหลังจากออกจากร่างแล้วภาษาศาสนาเรียกว่าคติแปลว่าที่ไปที่ถึงคติมีสองอย่างคือ1เป็นที่ไปลำบากมีแต่ความทุกข์ความเสื่อมเรียกว่าทุกคติ 2. เป็นที่ไปสบาย มีความสุขความเจริญเรียกว่าสุขคติการพูดถึงจุดหมายปลายทางที่จิตออกจากร่างนี้แล้วจะไปปรากฏนั้นบางทีพระท่านใช้คำว่าพบเพราะหมายถึงที่เกิดบางทีท่านใช้คำว่าภูมิเพราะหมายถึงชั้นหรือที่อยู่แห่งจิตบางทีท่านใช้คำว่าปรโลกเพราะท่านหมายถึงโลกหน้าการแบ่งคตินั้นโปรดเข้าใจว่า ถ้าไม่ได้แบ่งตามดินฟ้าอากาศหรือตามเขตพื้นดินเหมือนการแบ่งเขตแบ่งประเทศแต่แบ่งตามพวกของจิตคือถ้าจิตจเจริญอยู่ในระดับเดียวกันรู้สุขรู้ทุกถึงกันได้เป็นจิตพวกเดียวกันแม้จะอยู่คนละมุมโลกก็จัดว่าเป็นคติอันเดียวกันเช่นมนุษย์เราแม้จะเกิดอยู่คนละประเทศคนละทวีปก็นับว่าเป็นคติเดียวกันเพราะจิต รู้สุขรู้ทุกข์ถึงกันได้แม้ว่าเราจะพูดกันไม่รู้ภาษาแต่เราก็รู้กันด้วยภาษาจิตซึ่งมีอยู่ภาษาเดียวในพวกมนุษย์ในข้อนี้เราจะเห็นได้เช่นสมมุติว่าเกิดความพินาศอย่างใหญ่หลวงแก่มนุษย์ผู้หนึ่งแต่คนอื่นๆที่รู้เห็นก็จะพากันเศร้าสลดใจไปด้วยทั้งทั้งที่เขาเหล่านั้นอาจเป็นคนชาติคนภาษา และไม่เคยรู้จักกันเลยเรื่องที่จิตต้องการส่วนใหญ่ก็ตรงกันที่เป็นเช่นนี้เพราะมนุษย์อยู่ในคติเดียวกันคือจิตเป็นพวกเดียวกันตรงกันข้ามถ้าระดับจิตแตกต่างกันมากจนไม่รู้ถึงกันแม้จะอยู่ร่วมชายคาเรือนเดียวกันก็จัดเป็นคนละคติเช่นเรากับตุ๊กแกอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าจิตเป็นคนละพวก สุขทุกข์ไม่ถึงกันเลยเราถูกลอตเตอรี่มีลาบใหญ่ทุกแกมันก็ไม่ได้รู้สึกดีใจด้วยเราเจ็บป่วยปางตายมันจะเป็นห่วงเสียใจสักนิดก็เปล่าเพราะเรากับมันอยู่คนละคติจิตไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นการเข้าใจว่าสุขคติอยู่บนชั้นฟ้าทุกขคติอยู่ใต้แผ่นดิน จึงเป็นเรื่องบุคลาธิฐานจัดเกินไปเพื่อจำกัดวงแห่งปาฐกถาเรื่องนี้ให้แคบเข้าเพราะที่ท่านผู้ฟังจะติดตามเรื่องได้สะดวกข้าพเจ้าจึงจะไม่ขอจำแนกออกไปอีกว่าสุคติและทุขติอย่างไหนแยกแยะออกไปอย่างไรบ้างสรุปว่าที่หมายปลายทางของจิตซึ่งออกจากร่างนี้ไปแล้วมีสองจุดคือไปสู่สุคติ มีความสุขความเจริญหนึ่งไปสู่ทุกขติมีความทุกข์ความเสื่อมหนึ่งเท่านั้นอะไรทำให้จิตเข้าถึงคติคนที่ออกจากบ้านไปไหนไปไหนถ้าจิตยังยึดอยู่ในบ้านนั้นว่านี่เป็นบ้านของเราวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลับมาที่บ้านนั้นอีกไม่ต้องอื่นไกลท่านผู้ฟังนี่แหละที่ท่านออกจากบ้านมาขณะนี้จิตท่านยังยึดอยู่ที่บ้าน ว่าเป็นบ้านของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะต้องกลับไปปรากฏตัวที่บ้านนั้นอีกถ้าไม่กลับวันนี้พรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปท่านก็ต้องกลับไปที่บ้านนั้นแน่แต่ถ้าท่านขายบ้านหลังนั้นแล้วขนของออกไปแล้วถอนความยึดถือที่ว่านี่เป็นบ้านของเรานั้นเสียลงได้ถอนความยึดถืออย่างนี้แล้วไม่แน่นักว่าท่านจะกลับไปที่บ้านนั้นอีก คนที่โดยสารรถไฟไปด้วยกันมากๆจิตของใครเข้าไปยึดอยู่ณที่ไหนพอถึงปลายทางเขาก็จะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปสู่ที่นั้นถ้าท่านไปยืนอยู่ที่ข้างถนนเจริญกรุงท่านจะเห็นมนุษย์จำนวนมากเดินขวักไขว่ไปมาแทบจะหลีกกันไม่พ้นเราลองพิจารณาดูสิว่าเขาจะไปไหนกันแล้วเราก็จะพบเงื่อนไขในการไปของคนเหล่านั้นว่า จิตของเขาเข้าไปยึดอยู่ที่ไหนเขาก็จะต้องไปที่นั่นโรงหนังวัดพระแก้วเขาดินโรงพยาบาลกระสรวงและอื่นๆแล้วแต่ความยึดแห่งจิตของเขาจากตัวอย่างที่แสดงมานี้ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่ามีอำนาจสิ่งหนึ่งคอยผลักดันมนุษย์หรือคอยเหนี่ยรั้งให้มนุษย์เข้าถึงจุดต่างๆอำนาจสิ่งนั้นคือความยึดถือแห่งจิต เพียงในชาติเดียวเราก็เห็นมนุษย์ซึ่งรวมทั้งตัวเราด้วยถูกซัดถูกเหวี่ยงไปสู่จุดต่างๆด้วยอำนาจความยึดถือแห่งจิตอย่างนี้แม้ระหว่างชาติต่อชาติคือคนตายแล้วจะเข้าถึงคติไหนก็ขึ้นอยู่กับความยึดถือแห่งจิตเหมือนกันความยึดแห่งจิตนี้ข้าพเจ้าหมายถึงอาการ2 อ, อย่างคืออาการที่จิตเข้าไปยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งตนมีอยู่แล้วโดยความเป็นเจ้าของนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งหมายเอาอาการที่จิตเข้าไปยึดในวงเล็บกามทั้งหลายในอนาคตว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเสวยสมบัติอย่างนี้ความยึดถือทั้งสองสถา น, นี้เป็นอาการของอุปาทานในวงเล็บกามุปาทานการปรารถนาจะไปเกิดพบนั้นพบนี้ นั่นคือการตั้งอุปาทานละ่ะเราจึงขมวดความลงได้ว่าอุปาทานเป็นตัวเหตุในการเข้าถึงคติแต่การที่จะเป็นไปได้ตามอุปาทานนั้นหรือไม่ย่อมอาศัยกรรมเป็นปัจจัยต้องมีกรรมสนับสนุนจึงจะสำเร็จอยากไปเชียงใหม่แต่ไม่ไปก็ไม่ถึงเชียงใหม่อยากไปอเมริกาแต่ไม่มีฐานะจะไป ก็ถึงอเมริกาไม่ได้อยากจะได้ครองตาแหน่งสำคัญแต่ไม่ทำเหตุให้สมกันก็ครองไม่ได้โดยเหตุผลทำนองเดียวกันนี้คนอยากไปสุขติถึงจะเอาจิตไปยึดอยู่เท่าไหรเท่าไรถ้าไม่ทำกรรมดีให้พอกันก็ไปสู่คติไม่ได้นี้เรียกว่ามีแต่อุปาทานแต่ไม่มีกรรมสนับสนุนก็ไปไม่ได้โปรดทราบว่า กรรมย่อมมีอำนาจบรรดาแรงกว่าอุปาทานถ้ากรรมกับอุปาทานขัดกันผลก็จะเป็นไปตามกรรมเท่านั้นหาเป็นไปตามอุปาทานไม่แม้ทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วว่าความมุ่งแห่งจิตย่อมมีกำลังน้อยกว่าการกระทําเสมอคนบางคนโดยสารรถไฟจากหัวเมืองตั้งใจว่าพอถึงกรุงเทพ จะไปพักที่โรงแรมรัตนกโกสินทร์แต่เพราะเขาเป็นผู้ร้ายฆ่าคนแทนที่จะได้พักที่รัตนกโกสินทร์ตามที่จิตเข้าไปยึดอยู่ก็กลายเป็นว่าได้ถูกเจ้าหน้าที่บังคับให้เข้าไปนอนในห้องขังอันแสนจะลำบากนี่แหละความมุ่งแห่งจิตกับการกระทําขัดกันผลก็จะเป็นไปตามการกระทาคนขับรถลงไปคว่าอยู่ในคูข้างถนน ใช่ว่าเขาจะตั้งใจไปที่ตรงนั้นก็หามิได้แต่เขาต้องเข้าถึงจุดนั้นเพราะการกระทาของเขานักโทษที่จ่ายออกจากตารางไปทำงานตลอดวันเขาไม่ได้พิศวาสขาดใจในตารางว่าเป็นบ้านของเขาเลยแต่เขาก็ต้องกลับเข้าตารางอีกในตอนเย็นเพราะเขายังไม่สิ้นกรรมกรรมมีอิทธิพลมากอย่างนี้ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่า การที่คนเราจะไปสู่คติใดคติหนึ่งนั้นต้องอาศัยอุปาทานเป็นเหตุและกรรมเป็นปัจจัยพูดอีกทีว่าความต้องการเป็นตัวเหตุการกระทําเป็นปัจจัยเหตุและปัจจัยต้องให้สมกันจึงจะได้ผลคนเราโดยทั่วไปติดนิสัยค้ากำไรเกินควรคือลงทุนลงแรงน้อยแต่อยากได้ผลมากจุดทูปสามดอกบูชาพระ หรือเพียงยกมือไหว้แป๊บเดียวแต่ปรารถนาเอาสวรรค์นิพพานนี่ก็เรื่องค้ากำไรเกินควรนั่นเองคนบางคนตั้งความปรารถนาไว้เลิ่ลอยแต่ไม่ทำความดีหรือทำแต่น้อยไม่สมกันความปรารถนาก็สำเร็จผลไม่ได้เหมือนคนตั้งใจจะไปเชียงใหม่แต่ไปขึ้นรถต่วนสายใตย้หรือขึ้นรถสายเหนือ แต่ลงทุนซื้อตั๋วแค่อยุธยาเขาจะไปถึงเชียงใหม่หรือไม่ท่านผู้ฟังตอบได้ทุกคนความผิดหวังของมนุษย์ที่มีอยู่ทั่วๆไปนั้นก็เพราะการกระทําของเขาขัดแย้งหรือไม่สมกับความต้องการของเขาเป็นสําคัญความเป็นไปของจิตในพบใหม่พอร่างกายตายลงจิตออกจากร่างแล้วเป็นอย่างไรต่อไป จิตยังวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นหรือยังพัวพันอยู่กับซากศพต่อไปอีกเป็นเวลานานเท่าไหร่หรือพอพ้นจากร่างก็พุ่งปราศเข้าสู่คตินั้นๆเลยปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องอยู่ข้างจมูกคือไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นไปไว้อย่างชัดเจนมีแสดงออกในทางประเพณีบ้างก็รู้สึกว่าเลือนปราศจากการยืนยนันเช่น ประเพณีทาบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันบางท่านก็อธิบายว่าในระยะที่กล่าวนี้วิญญาณของผู้ตายจะกลับมาอีกญาติพี่น้องจึงทาบุญเพื่อให้ผู้ตายได้รู้เห็นและได้รับส่วนบุญแต่ที่ว่านี้เป็นเรื่องเล่ากัน ส, สืบมาเท่านั้นยังไม่เคยพบหลักฐานยืนยันพอจะเชื่อถือได้นอกจากนี้ก็เป็นเรื่องประเภท ครึ่งผีครึ่งคนเช่นมีคนสลบไปแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าให้คนอื่นฟังว่าตนได้ไปเห็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมที่จะนำมาเล่าในที่นี้มติข้างฝ่ายพระพุทธศาสนาซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่พอจะรวบรวมได้บ้างเป็นเรื่องกล่าวถึงผลบุญผลกรรมมีหลายประเภทด้วยกัน ข้าพเจ้าขอแสดงโดยเปรียบเทียบกับคนเดินทางดังนี้คนเดินทางโดยรถไฟขบวนเดียวกันจากเชียงใหม่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพนั้นมีหลายประเภทเช่นประเภทที่1เมื่อยังอยู่เชียงใหม่ทำความดีไว้มากมีทุนร้อนดีพอถึงกรุงเทพแล้วก็ตรงไปสู่ที่อยู่อันดีหรือได้ตำแหน่งดียิ่งกว่าเมื่ออยู่เชียงใหม่ โดยไม่ชักช้าเลยประเภทที่2มีทุนติดตัวมันน้อยพอมาถึงกรุงเทพแล้วก็ได้ที่อยู่พอประมาณคือจะเอาดีนักก็ไม่ได้พอแค่มีอยู่ประเภทที่ส ม, มีทุนพอเป็นค่าโดยสารรถมาถึงกรุงเทพเท่านั้นพอมาถึงกรุงเทพได้เหมือนกับคนอื่นๆแต่พอถึงสถานีหัวลาโพงแล้วเงินหมดพอดี คนพวกนี้ต้องเรี่ยร่อนที่กินที่นอนไม่แน่นอนต้องขอทานเขากินถ้าขอเขาได้ไม่พอเลี้ยงชีพหนักๆเข้าก็หากินทางทุจริตต่อไปประเภทที่4เมื่ อ, อยังอยู่เชียงใหม่เป็นผู้ร้ายชะกันถูกเจ้าหนะ้าที่ควบคุมตัวมาถึงกรุงเทพเหมือนกับคนอื่นๆแต่เมื่อมาถึงกรุงเทพแล้วก็ตรงไปเข้าตารางโดยไม่ชักช้าคนประเภทนี้เมื่ อ, อยังอยู่เชียงใหม่ อาจเป็นคนจนหรือคนมั่งหมีก็ได้จิต ท, ที่ออกจากภพนี้ไปสู่ภพหน้าก็มีแต่ความเป็นไปเหมือนคนเดินทางที่กล่าวแล้วนั้นคือประเภทที่1ในชาตินี้ทำกรรมดีไว้มากความดีมีกำลังแรงพอตายลงจิตก็ตรงไปสู่คติอันดีโดยไม่ชักช้าในวงเล็บเหมือนกับคนเดินทางประเภทที่1ประเภทที่สอง ในชาตินี้ทํากรรมดีไว้น้อยก็ไปสู่คติพอดีพอร้ายเช่นเกิดเป็นมนุษย์สามัญในวงเล็บเปรียบด้วยคนเดินทางประเภทที่สองประเภทที่สามในชาตินี้ทํากรรมดีกรรมชั่วพอประมาณกรรมดีก็ไม่พอจะถึงสุคติกรรมชั่วก็ไม่พอจะให้เข้าถึงทุกคติจิตประเภทนี้ต้องเร่ร่อนเรียกว่าสัมภเวสี และเข้าสู่พบแห่งเปรตเป็นอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่คนอื่นอุทิศให้ใลวงเล็บเปรียบเหมือนคนเดินทางประเภทที่สมไม่มีทุนพอจะหาที่อยู่ได้และทั้งไม่มีความผิดพอที่จะเข้าตาราดได้บางท่านกล่าวว่าจำพวกเปรตนี้เมื่อไม่มีส่วนบุญที่ใครอุทิศให้เลยทำกรรมชั่วหนักลงไปอีกก็มีคือมีการกลั่นแกล้งให้มนุษย์ มีอันเป็นไปต่างๆเพื่อให้ทำพลีกรรมแก่ตนซึ่งเราเรียกว่าผีปีศาจเหมือนกับคนเร่ร่อนขอทานเขาเลี้ยงชีพครั้นไม่มีใครให้ทานก็อาจกลายเป็นพวกหากินทางทุจริตมีลักขโมยเขาเป็นต้นก็ได้มติที่ว่านี้ก็ไม่มีหลักฐานอีกแหละขอให้เพียงรับฟังกันไว้ชั้นหนึ่งก่อน ประเภทที่สีในชาตินี้ทํากรรมชั่วไว้มากกรรมชั่วมีกาลังแรงพอตายลงจิตก็ตรงไปสู่ทุกขติโดยไม่รั้งรอในวงเล็บเหมือนกับคนเดินทางประเภทที่สี่ที่เปรียบเทียบมานี้พอจะเก็บความได้ว่าจิตที่มีกรรมดีหรือกรรมชั่วอย่างแรงมากพอออกจากร่างก็ตรงเข้าสู่คติทีเดียวไม่มีการรั้งรอ ส่วนจิตที่มีกำดีหรือชั่วน้อยเพลากำลังการเข้าถึงคติของจิตก็ช้าลงลองพิจารณาถึงเหตุผลตามธรรมดาก็น่าจะเป็นเช่นนั้นสมมติว่าเรือนหลังเดิมพังลงถ้าเจ้าของเรือนนั้นเป็นคนร่ำรวยเขาก็จะตรงไปหาที่อยู่อย่างดีๆได้ง่ายไม่ต้องเรียรอแต่ในกรณีเดียวกันถ้าเจ้าของเรือนเป็นคนจน พอเรือนเดิมพังลงเกดอาจต้องปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้ๆที่เดิมนั้นก่อนแล้วค่อยขยับขยายไปหาที่อยู่ใหม่ต่อไปกว่าจะได้ที่อยู่ใหม่แน่นอนอาจใช้เวลาเป็นปีๆก็ได้ว่ามาถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยคิดเล่นๆว่าคนที่ตายแล้วยังมีผีหลอกตามที่เล่าลือกันนั้นคงจะเป็นพวกที่กรรมเพลากําลังในวงเล็บประเภทที่3ามนั่นเอง ตายแล้วจะไปเกิดไปขานกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้ส่วนพวกที่มีกรรมดีมากๆเขาคงไม่อยู่หลอกเราให้เสียเวลารีบไปเสวยสุขข้างหน้าดีกว่าแม้พวกที่กรรมชั่วรุนแรงมากโยมาบาลก็คงไม่ยอมให้มัวโอเออยู่เป็นแน่จิตเข้าครองร่างกายเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าร่างกายเปรียบเหมือนเรือนจิตเปรียบเหมือน คนผู้อาศัยในเรือนการที่คนอยู่เรือนฝากระดานจะทิ้งเรือนเดิมแล้วไปสร้างตึกอยู่อย่างโอโทงเพราะขณะที่เขาอยู่เรือนฝากระดานนั้นเขาไม่ประมาทสะสมทุนไว้มากดังนี้ก็ดีการที่เจ้าของตึกหลังใหญ่จำต้องทิ้งตึกลงไปอยู่กระท่อมเพราะเมื่อเขาอยู่ตึกนั้นเขาประมาตกินทุนเดิมจนหมดสิ้นดังนี้ก็ดีย่อมเป็นสิ่ง ที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่หรือแน่นอนต้องเป็นไปได้ก็ถ้าข้อนี้เป็นได้มีได้การที่จิตดวงหนึ่งจะออกจากร่างแห่งคนเข็นใจเข้าสู่ร่างแห่งราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ดีการที่จิตอีกดวงหนึ่งจะออกจากร่างแห่งมนุษย์เข้าสู่ร่างแห่งสัตว์เดรัจฉานก็ดีก็ย่อมเป็นไปได้ตามอำนาจกรรมเช่นนั้นเหมือนกันเพราะว่าร่างกายต่างๆนั้น เป็นเพียงที่รองรับอันมีคุณค่าเหมาะสมกับคุณภาพแห่งจิตดวงนั้นๆเท่านั้นกรรมที่ท่านทำเองนั่นแหละจักเป็นผู้ประกันว่าต่อไปจิตของท่านจะถูกรับรองด้วยร่างชนิดไหนรับยศโคตรตระกูลช่วยอะไรท่านไม่ได้เลยการเปลี่ยนเพศนอกจากการเปลี่ยนร่างกายดังกล่าวแล้ว จิตยังอาจเข้าสู่ร่างที่ผิดเพศไปจากเดิมก็ได้พูดง่ายๆผู้ชายอาจตายไปเกิดเป็นผู้หญิงและผู้หญิงอาจเกิดเป็นผู้ชายก็ได้ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้ย่อมขึ้นอยู่กับกรรมของตอนเองความในเรื่องพระโสรยะแห่งคัมภีร์พระธรรมบทยังได้กล่าวย้ำความไว้อีกว่าพวกผู้ชายที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิง หรือพวกผู้หญิงที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายไม่มีเลยหมายความว่าทุกคนล้วนแต่เคยอยู่ในเพศตรงข้ามมาแล้วทั้งนั้นในที่มาแห่งเดียวกันนั้นได้แสดงเหตุที่จะทำให้มีการกลับเพศไว้ด้วยว่าผู้ชายจะกลายเป็นผู้หญิงก็เพราะเขาทาประทารกกรรมคือล่วงละเมิดในภรยาของชายอื่นพวกผู้ชายเรา พากันระวังระวังสักหน่อยก็ดีประเดี๋ยวจะลําบากตัวภายหลังฝ่ายผู้หญิงจะกลายเป็นผู้ชายได้เพราะคลายความพอใจในความเป็นหญิงแล้วทําบุญมีให้ทานเป็นต้นพร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ได้อัตภาพเป็นชายสรุปเป็นอันสรุปปาทกถาของขพเจ้า ว, ว่าจิตคือธาตุกายสิ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสิงอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่ยังมีชีวิตเป็นผู้บังคับบัญชาร่างกายจิตเป็นนามนธรรมอยู่เนื้อกดของวัตถุธาตุเดิมของจิตคือรู้แต่กิเลสทําให้จิตเศร้าหมองไปกิเลสนั้นนอกจากทําให้จิตเศร้าหมองแล้วยังทําให้จิตดิ้นรนทํากรรมต่างๆกรรมที่ทาแล้วก็ถูกบันทึกลงที่จิตเองครั้นแล้ว จิตเองก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภายในเรื่องร่างแห่งมนุษย์เช่นเดียวกันมนุษย์ย่อมได้รับการสะดุดดีด้วยเกียรติจากเพื่อนมนุษย์ว่าเขาเป็นคนดีก็เพราะจิตเขาดีผู้ที่ถูกสังคมตอกหน้าตราชื่อว่าเขาเป็นคนเลวก็เพราะจิตเขาเลวความเป็นคนดีหรือคนเลวหาขึ้นอยู่ที่ร่างกายไม่แต่หาขึ้นอยู่ที่จิต เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงมุ่งสอนศาสนิกของพระองค์ให้อบรมฝึกฝนจิตของตนและตรัสว่าจิตตสเอกธรรมสะสัเบวะวะสัมวะคูทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปสู่อำนาจแห่งธรรมอันเดียวคือจิตในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากจิตในจิตนั้นถ้าปราศจากธรรมเสียแล้ว ก็ไร้สาระบทส่งท้ายปาฐกถาเรื่องจิตของข้าพเจ้าได้ใช้เวลาแสดงมาถึงหครั้งนับว่านานพอสมควรแล้วจึงขอจบเสียทีแต่ก่อนจะจบข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยที่ได้ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสมาแสดงปาฐกถา ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นการทำบุญสำหรับตัวข้าพเจ้าเองด้วยความจริงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโยพุติกะสมาคมเลยในส่วนภายนอกแต่ทางจิตใจนั้นข้าพเจ้าใกล้ชิดกับสมาคมนี้อยู่มากตั้งแต่เริ่มตั้งสมาคมมาแล้วรู้สึกชอบใจในวัตถุประสงค์จนถึงเคยตั้งใจไว้ว่า ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามให้ความร่วมมือเต็มกำลังและข้าพเจ้ารู้สึกชมคณะกรรมการของสมาคมด้วยใจจริงที่นำสมาคมให้เจริญรุดหน้าไปได้มากเกินกว่าอายุของสมาคมที่จริงข้าพเจ้าควรจะพูดคำเหล่านี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแสดงปากฐกถาครั้งแรกเหมือนกับนักปากฐกถาทำกันทั่วไปแต่ไม่ได้พูดเพราะนึกไปว่า คนเราพอรู้จักกันจะจีบกันเลยก็ยังไงยังไงอยู่ผู้ที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่ามีความสําคัญต่อข้าพเจ้ามากอีกผู้หนึ่งคือท่านผู้ฟังข้าพเจ้าขอบคุณมากรู้สึกว่าการแสดงปาฐกถาชุดเรื่องจิตนี้ได้รับความสนใจจากท่านผู้ฟังเกินคาทั้งห้าครั้งข้อนี้เป็นการให้กําลังใจแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากจนข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าปาฐกถาเรื่องนี้ จะมีความดีอยู่บ้าง50ของความดีนั้นก็มาจากท่านผู้ฟังนั่นเองข้าพเจ้าขอเรียนความจริงใจอีกครั้งว่าข้าพเจ้าไม่ได้นึกคิดเลยว่าข้าพเจ้ามีความแตกฉานหรือชำนาญในเรื่องจิตนี้ดีไปกว่าท่านผู้ฟังในการเป็นผู้แสดงข้าพเจ้าก็ไม่คิดว่าตนได้ทำหน้าที่สำคัญกว่าท่านผู้ฟังเลย เราเพียงแต่แบ่งงานกันทำเท่านั้นท่านทั้งหลายทำหน้าที่ฟังข้าพเจ้าทำหน้าที่พูดถ้าท่านไม่ฟังข้าพเจ้าจะมายืนพูดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงขอขอบคุณท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากการแสดงปาทกถาชุดเรื่องจิตขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกัน